ข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอาภิปุลโนจากวัดป่าดอนไหสก์เอเมร์น้องหานจังหวัดอุดรธานีก็มาทำหน้าที่ในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความจำแจ้งถึงที่สุดโดยสิ่งที่ท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่เคยได้ฟังคือเรื่องราวที่เป็นพุทธพจน์จริงๆพุทธพจน์เนี่ยนะเป็นภาษาบาลีนะ เป็นคําที่พระเาพูดเอาไว้ไอ้ที่เราฟังเป็นภาษาไทยเนี่ยมีครูบาอาจารย์ท่านทําให้แจ่มแจ้งโดยแปลงเปลี่ยนจากภาษาบาลีนะแปลมาให้เป็นภาษาไทยแจ่มแจ้งด้วยการแปลภาษาแล้วแล้วหลังจากที่แปลภาษาโดยความที่เป็นพยัญชนะเอาจากภาษาบาลีพยัญชนะภาษาบาลีเป็นพยัญชนะภาษาไทยแล้วก็ทําความแจ่มแจ้งเรื่องของอัตตะด้วย นนในความหมายที่แปลออกมาแล้วเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรมีข้อความลึกซึ้งมีความหมายกีดเนยยะอย่างไงก็มาแยกแยะแจกแจงจัดหมวดหมู่ทําให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นอันนี้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ทำหวังไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคละณะท่านกระทำหน้าทีน่นี้เป็นพระสงฆ์ที่มาในสมัยต่อมาหลายร้อยปีต่อมาท่านก็นมีการลงอักษรบันทึกเอาไว้ท่านกระทาหน้าที่นี้ และมีการแต่งอัตกตาเพื่อที่จะขยายความสิ่งที่เป็นพุทธพจน์นั้นก็เป็นการทําหน้าที่ซึ่งในสมัยนั้นเขาพูดภาษาบาลีกันใช่ไหมซึ่งในสมัยปัจจุบันนะความรู้ความเรียนคําสอนของพุทธานั้นกระจายไปทั่วโลกแต่ชาวโลกในแต่ละประเทศแต่ละที่นั้นเขาก็นํามาแจกแจงแยกแยะเอาไปเป็นภาษาของเขาบางคนฝรั่งบางคนอังกฤษคนอเมริกันพูดภาษาอังกฤษเขาก็แปลคําของพระพุทธเจ้าเนี่ย ไปเป็นภาษาอังกฤษโดยคําพูดที่เป็นภาษาบาลีเดิมตัวอักษรที่เขาเขียนก็เป็นลักษณะก็เรียกว่าตัวอักษรโรมันแต่เขียนเป็นภาษาบาลี ค, คล้ายๆกับภาษาคาราโอเกะนะเจ็ดวันท่านฟังเคยดูเวลาเขาร้องคาราโอเกะเนี่ยเขาจะมีคําอ่านที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างเพลงไทยเป็นต้นมีคําอ่านที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะอ่านออกเสียงได้เป็นคําไทย น, นเรียกว่าภาษาคาราโอเกะ เช่นเดียวกันคนฝรั่งจะใช้ตัวอักษรโรมันคนพม่าก็บบชกใช้ตัวอักษรพม่าคนกัมพูชาก็ใช้ตัวอักษรขอมต่างคนก็ต่างใช้ตัวอักษรของตัวเองเขียนเป็นคำอ่านออกมาได้เป็นภาษาบาลีแล้วก็แปลอกมาแปลออมาเป็นภาษาของตัวเองคนอังกฤษก็ใช้ภาษาบาลีอัอกษรโรมันแปลอมาเป็นภาษาอังกฤษคนฝรั่งเศสก็ใช้ตัวบาลีอักษรโรมันแปลออมาเป็นภาษาฝรั่งเศสคนกัมพูชาก็ใช้ ตัวบาลีอักษรขอมแปลมาเป็นภาษากัมพูชาคนไทยก็ใช้ตัวบาลีอักษรไทยแลกมาเป็นภาษาไทยในเพื่อให้มีความเข้าใจกันอันนี้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ที่เขาจะต้องทําในการที่จะให้ฟังสิ่งที่ยัไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังให้จาแจงถึงที่สุดด้วยนะถึงที่สุดอันนี้เป็นหน้าที่เพื่อที่จะให้คําสอนนั้นได้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังในการฟังธรรมะ ไอเรื่องที่ข้าพเจ้าเอามาพูดทั้งหมดทั้งสิ้นนะ่ะมันจะนอกเหนือจากคำสอนของพุทธะไม่ได้เลยเพราะถ้าเราบอกว่าเรานับถือคำสอนของพุทธะคือพุทธศาสนาแต่ศาสนานี้หมายถึงคำสอนคำสอนของพุทธะก็ต้องทําตามที่พุทธะบอกที่พุทธะสอนก็ต้องกลับมาตรงที่ตัวแม่บทว่าพุทธะพูดอะไรแต่ข้อความนี้มีความหมายอย่างไรออแปลกสนใจกันว่าอย่างไงกันแรากสาบมาจากอย่างไรใช้อย่างไงเกิดความเข้าใจได้อย่างไรก็จึงนํามา พูดคุยกัทบท่านผู้ฟังในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็จะนําพระสูตรที่มีมาในพระไตรปิฎกมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังข้าพเจ้าก็จะอ่านแล้วก็ท่านผู้ฟังก็ฟังไปและมีอีกรายการหนึ่งข้าพเจ้าก็อ่านพระสูตรเนี่ยเป็นพระสูตร2ภาษาตั้งภาษาไทยสหรับกับภาษาอังกฤษอะไรก็ตามท่านผู้ฟังต้องการจะฟังก็สามารถไปฟังที่เว็บไซต์ได้ puretha.com p, com, p u r e d h a m m a .com ดังก็จะมีพระสูตรทั้งสองภาษาทั้งภาษาเดียวเป็นภาษาไทยหรือว่าจะเป็นภาษาไทยสลับกับภาษาอังกฤษก็สามารถไปฟังย้อนหลังกันที่นั่นได้โดยเรื่องราวที่เลือกไม้ท่านมาฟังฝั่งนั้นก็มีหลายเรื่องหลักประเด็นอาจจะรวบรวมจากพระสทตรนั้นพระสูตรนี้มาเส ม, มือนการแปลของคนนั้นคนนี้บ้างหรือว่าอาจจะเป็นพระสทตรยาวๆเรื่องเดียวไปเลยจบไปในตัวอันนี้ก็มีซึ่งเรื่องราวที่เราพูดกันเมื่อวานนี้ค้ับทานเจ้า เอามาให้ท่าผู้ฟังฟังเนี่ยเป็นพระสูตรที่เขารวบรวมอยู่ในเรื่องขนาดกลางไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปเรื่องขนาดกลางเขาก็เรียกว่ามัชชิมานิไกในหมวดหมู่เขาก็แบ่งเป็นนิกายนิกายในนิกายก็หมายถึงกลุ่มถึงหมว ด, ถ, มดถึงหมู่ถึงกลุ่มคนกลุ่มเรื่องในที่นี้พระสูตรที่ไม่สั้นไม่ยาวเป็นขนาดกลางจริงๆมันก็ยาวพอสมควรแล้วนะเขาก็ามารวมไว้ในมัชชิมานิไกในหมวดไหนที่เป็นพระสูตรยาว ก็เรียกว่าทีคณิกายทีครแปลว่ายาวก็ไปรวมในทีคณนิการนูน่นยาวมากจริงบางเดียมาอ่านให้กันฟังสองสตอนนะ่ยกว่าถึงจะจบนั้นเรื่องที่มันสั้นๆร้อยเรียงกันเป็นเรื่องบรรดาวรวปรวมหมวดหมู่เอาไว้ก็ก็เรียกว่าเป็นสั่งยุดตานิกายเป็นตน้นแต่ซึ่งในตอนที่ข้าพเจ้าเอามาให้ทุกผู้ฟังฟังเมื่อวานนี้ก็เป็นพระสูตรที่มาในมัชชิมานิกายคือเรื่องขนาดกลางๆเอามาพูดพอสัก30นาทีย่อตรงนั้นตัดตรงนี้ มันก็พอจะจบในตัวแต่พระสูตรนี้เป็นบทสนทนาระหว่างท่านพระสารีบุตรกับท่านพระมหาโมคลนะแม่จริงๆควรจะเรียกว่าท่านพระมหาสารีบุตรแล้วก็ท่านพระมหาโมคลนะไปเลย แ, ลแต่ว่าแต่ละท่านนี้ก็เรียกว่าเป็นมห AH านาคือเรียกว่าเป็นคนที่มีความยิ่งใหญ่ในบรรดาสาวกเนี่ยไม่มีใครเลิศเกินสองท่านนี้ล่ะก็เรียกท่านพระมหาสารีบุตรกับท่านพระมหาโมคลนะแล้วกันในเป็นบทสนทนาระหว่างสองท่านนี้พระสูตรนี้เรียกว่า เนินเนินก็หมายถึงไอ้ที่มันสูงๆเราต้องเดินขึ้นไปมันชันขึ้นไปในภาษาบาลีเขาใช้คําว่าอนังคณะก็เลยเรียกว่าอนังคณะสูตรหรือประสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของเนินเนินมันเป็นยังไงเนินผู้ฟังเคยลองเดินขึ้นเนินไหมล่ะยิ่งถ้าคนอายุมากหรือว่าเป็นโรคหัวใจเดินขึ้นเนินนี่ไม่ต้องพูดถึงหลังกว่าจะไปถึงยอดอ่ะมันเงื่อแตกซะก่อนแล้วมันเหนื่อยอันนั้นคือเนินเนินคือดั่งกิเลส ก็เรียกว่าเป็นกิเลสเพียงดังเนินที่เราจะต้องข้าวข้ามไปให้ได้ท่านพระสารีบุตรพูดเอาไว้คือส่วนใหญ่ในพระสูตรนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรอธิบายท่านพระหมหาโมกขะนะก็ถามไถ่ซักไซบ้างต่างคนต่างก็ชื่นชมยินดีพาสิมกันและกันเรื่องราวที่ท่านพระสารีบุตรอธิบายไว้ในพระสูตรที่เรียกว่ากิเลสเพียงดังเดินหรือว่าอันหนังคณะเนี่ยได้พูดถึงคนสี่จำโบด้วยกัน คนสี่จำพวนี้นี่แบ่งเป็น2กลุ่มนะคือกลุ่มที่มีกิเลสกับกลุ่มที่ไม่มีกิเลสในอีก2กลุ่มหนึ่งก็คือรู้ว่าตัวเองมีกิเลสหรือว่ารู้ว่าตัวเองไม่มีกิเลสกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือไม่รู้ว่าตัวเองมีกิเลสแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองไม่มีกิเลสนี่ยก็เรียกว่ามี4ี่กลุ่มด้วยกันนะโดยใช้เกณฑ์นในการแบ่ง2อย่างนัะคือแบ่งด้วยความมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสในอย่างหนึ่ง หรืออย่างที่2โดยแบ่งด้วยความรู้กับความไม่รูนะ้โดยพวกที่รู้ก็รู้ว่ามีกิเลสก็รู้ว่าไม่มีกิเลสพวกที่ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่ามีกิเลสแล้วก็ไม่รู้ว่าไม่มีกิเลสนั่นเะลยแบ่งเป็นสีพวกในสี่จำพวกนี้เ๋ยวเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายท่านพระศาตริกุฎก็ยกอุปมาอุปไม้เพื่อที่จะมาอธิบายแนวะพวกที่จิตยังมีกิเลส คำว่ามีกิเลสกับไม่มีกิเลสตรงนี้ก่อนทําความเข้าใจให้สำหว่างทราบนะคือหมายความว่าโดยทั่วไปเนี่ยจิตเนี่ยมีราคะโทสะโมหะกลุ่มรุมแต่เวลามีอะไรมากระทบก็จิตจาดเปล่งปลั่งขึ้นเป็นโทสะขึ้นเป็นโลภะขึ้นเป็นโมหะขึ้นอันนี้คือลักษณะของคนที่มีกิเลสแต่ส่วนคนที่ไม่มีกิเลสนี่ไม่ใช่หมายความว่าเป็นพระอาหารหันนะแต่หมายว่าคนที่โดยปกติแล้วเวลามีอะไรมากระทบก็ ไม่ค่อยมีราคาโทวสามโมะฟุ้งขึ้นนต่มักจะเฉยๆนิ่งๆไปนต่มักจะเป็นอย่างนั้นและนี่คือคนลักษณะที่สองที่ในที่นี้ที่ทานภาษาดิบุตรพูดถึงว่าไม่มีกิเลสแต่ลักษณะคน2แบบก็ไม่เหมือนกันเราก็เห็นในสังคมงเรามีนะคนที่แบบว่าจีจัดเปล่งปลัง่งแล้วก็มีอยู่คนที่แบบว่าครึมๆนิ่งๆไปอันนี้ก็มีอยู่มีทั้งสองประเภทและในทั้งสองประเภทนี้อุบะมาโปมยัยที่ท่านภาษาดิบุตรเปรียบเทียบเนี่ย ก็คือคนที่มีกิเลสจีจัดง่ายหรือวเป็นคนที่ตูราคาโทสะโมหะกลุ่มรุมได้ง่ายจากภาษาที่มากระทบอันนี้ก็เปรียบเสมือนภาชนะสำริดภาชนะสำริดที่ยังมีเหล่า อ, องมีสนิมจับอยู่บางทีสนิมจับมากถึงขนาดที่ว่าไม่รู้ว่าเป็นภาชนะไม้ภาชนะดินหรือว่าภาชนะทองเหลืองด้วยซ้ำํำแต่บางทีมันจับไม่มากขนาดนั้นส่วนคนที่ไม่มีกิเลสก็หมายความว่ามีราคาโทสะโมหะกลุ่มรุมน้อย มีปะกะติเขาเรียกว่าราคาโทสะโมหะไม่แก่กล้าลก็จะเปรียบส่วนกับภาชนะสมฤทธิ์เป็นภาชนะโลหานี่แหละที่พ่องใสหมดจดกัดไว้อย่างดีอันนี้เป็น2ลักษณะส่วนในเกณฑ์หนึ่งที่พูดถึงว่าในการวัดแบ่งคนเป็นสีชพวกนี้พวกหนึ่งก็คือรู้กับไม่รู้นะพวกที่รู้ว่าตัวเองมีกิเลสกับรู้ว่าตัวเองไม่มีกิเลส กับพวกที่ไม <ง comida S 1> <mis> ่รู้นะไม่รู้ว่าตัวเองมีกิเลสหรือว่าตัวเองไม่มีกิเลสพวกที่ไม่ร mankind, ู้เนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบนะกับพวกที่มีกิเลสด้วยกันพวกที่ไม่รู้นี่แย่กว่าซ้ำกว่าไปงั้นส่วนพวกที่รู้ว่าตัวเองมีกิเลสนะมีกิเลสก็จะดีกว่าประเสริฐกว่าเช่นเดียวกันในพวกที่ไม่มีกิเลสด้วยกันคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองไม่มีกิเลสเนี่ยจะซ้ำกว่าซ้ำกว่าพวกไหน สามกว่าแยกกว่าพวกที่รู้ว่าตัวเองไม่มีกิเลสแพวกที่รู้ว่าตัวเองไม่มีกิเลสเนี่ยประเสริฐกว่าพวกที่ไม่รู้แต่ใ น, นความรู้ตัวตรงนี้ก็หมายถึงสตินั่นเองคือความรู้ตัวไปจิตฉันเนี่ยเป็นลักษณะไหนแต่คือท่านผู้ฟังที่บางค น, นจะรู้ตัวว่าเออฉันโกรธง่ายนะฉันจีจัดง่ายเออนนี้ดีดีกว่าอะไรดีกว่าคนที่มันไม่รู้เพราะคนที่มันไม่รู้ว่าตัวเองมันจีจัดง่ายมันก็มีแบบโทษเกืออื่นหมดอะ ฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดเธอผิดเธอผิดอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็มีนะอันนี้คือกรณีของพวกที่มีกิเลสด้วยกันก็คือจีจัดง่ายมีก็เรียกว่ากิเลสกลุ่มรุมได้ง่ายส่วนกรณีของพวกที่กิเลสไม่ค่อยกุ่มรุมก็คือพวกที่มีราคาโทสะโมหะน้อยมีกิเลสเบาบางมีราคาโทสะโมหะไม่กล้าก็จะแบ่งเป็นสองพวกอยู่ด้วยกันคือพวกที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นด้วยความที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ย ไม่มีราคาโทสะโมหะมีราคาโทสะโมหะไม่กล้าอย่างเงี้ยอันนี้ดีอยู่แล้วนะแต่ด้วยความที่ตัวเองไม่รู้ว่าเป็นอย่างนั้นบางทีไม่รักษาให้ดีแบบมึนๆไปไม่รู้ว่าตัวเองมีของดีก็ไม่รักษาอันนี้เปรียบเสมือนภาชนะสำริดที่เขาขัดมาดีแล้วแต่ว่ากลับไม่รักษาให้ดีอาจจะมีแนวโน้มในความประมาทเกิดขึ้นได้อาจจะประมาทเลินเล่อได้อันนี้ก็จะไม่ดีตรงนี้ไม่ดีเมื่อเทียบกับอะไรเมื่อเทียบกับคนที่เขารู้แต่คนที่เขา ไม่มีราคาโทสะโมหะแต่มีราคาโทสะโมหะเบาบางอันนี้เขาก็มีนะแล้วเขาก็รู้ตัวว่าเขาเป็นอย่างนั้นแต่เขาก็จะรักษาไว้อย่างดีรักษาความที่จิตเขาดีๆอันนี้เอาไว้แต่ความที่เขามีสติรู้ตัวรักษาเอาไว้นี่แหละมันดีแเหมือนกับภาชนะสมริดที่ขัดมาดีแล้วแล้วก็รักษาไว้อย่างดีเก็บไว้อย่างดีอันนี้นี่คือลักษณะหนึ่งที่ท่านพระสารีบุตรเปรียบเทียบ4ี่อย่างอย่างนี้ให้ฟังหรือถ้าเราจะ เออเปรียบเทียบอีกกรณีหนึ่งนะัคือกรณีคนที่มาบวชอย่างเงี้ยนะถ้าพวกที่มีกิเลสมากมีราคะโตสามามหกลุ่มรมเยอะก็อาจจะเป็นคนที่บอกยากสอนยากามีความาแบบการตั้งในใจมากมีความประโยชน์ในใจสูงและปรากฏว่าไปอยู่กับพวกที่ดีๆคนะรูบาอาจารย์ที่ดีหรือว่าอุปชาที่รู้จักบอกสอนคอยเตือนหนาะก็เหมือนกับภาชนะสำลิข์ที่ไม่ดีที่สกปรกหนะแล้วก็ เจ้าของเขาเอามาใช้เอามาขัดเอามาถูเอามาดูนั่นคือคนไม่ดีไปบวชอยู่กับกลุ่มคนดีแล้วก็ดีขึ้นมาได้นี่คือในยะที่สองที่ท่านพระสารีบุตรอธิบายไว้แล้วในกรณีที่สองนั่นคือคนที่แบบอาจจะมีพฤติกรรมไม่ค่อยดีแล้วไม่ได้มาบวชปรากฏดันไปอยู่กับพวกกลุ่มพระที่มีทีอุปชาที่พาทำเรื่องที่ไม่ดีเป็นเรื่องของการแสวงหาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทํายาเป็นต้นทําสิ่งที่ไม่ใช่สมณธรรมอย่างเงี้ย มันก็ยิ่งสกกระเบกมากขึ้นจิตใจแทนที่จะได้ประพฤติสมณธรรมแล้วก็มีความคล่องความแวะเป็นเนินยิ่งเนินซูงก็ยิ่งแย่ยลงไปอีกนคือพวกที่มีกิเลสแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าตัวเองมีงเหมือนภาชนะสมฤุติที่เป็นสนิมอยู่แล้วแล้วเจ้าของก็ยังไม่ใช้เอาไว้เก็บงําไว้ไม่ดีก็ยิ่งขึ้นสนิมมากขึ้นอันนี้มันไม่ดีในทางตรงข้ามของในยะที่2ของพวกที่ไม่มีกิเลสก็คือคนที่ปกติดีๆอยู่แล้ว นะเป็นคนที่บอกง่ายสอนง่ายอาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็รู้อะไรผิดอะไรถูกอะไรเดียวชั่วแต่ว่าดันไปบวชอยู่กับอุปชาหรือว่าอาจารย์ที่ไม่รู้วินัยทําไม่ถูกมีกา ร, รไม่ประพฤติสมณธรรมมีการทําอเนสนกรรมในเะกิการสวยหาที่ไม่ถูกต้องเช่นเป็นหมอยาไม่มีการประพฤติธรรมที่ดีไม่รู้จักตักเตือนแล้วก็แย่ลงเดีพฤติกรรมที่ดีๆที่ตัวเองมีมาก็แย่ลงเหมือนบาชนะ สำเร็จที่ดีแล้วปรากฏไม่ใช้ไม่เก็บให้ดีไปตากฝุ่นตากแดดตากลมก็ขึ้นสนิมเหมือนกันนี่คือกรณีที่3ของนัยยะที่2เหนือในกรณีที่4ี่แต่ของนัยยะที่2นี้ก็คือเหมือนกับคนที่ดีๆบอกง่ายสอนง่ายคือคนที่มีกิเลสน้อยแล้วก็ไปอยู่กับสํานักของอาจารย์ดีๆของอุปชาที่ดีครูบาอาจารย์ที่ดีเดรุษจักตักเตือนให้มีความเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานทุดงควัด เรียนพุทธพจน์อะไรต่างๆแล้วมันก็ยิ่งดีขึ้นม า, าเหมือนไปใช้น้ำสมฤทตที่ดีอยู่แล้วยิ่งไปขัดไปใช่ไปดีแต่ทําให้มันดีขึ้นมาก็ยิ่งดีขึ้นไปแต่ตัวนี้คือลักษณะของคน4แบบในสองไตรยะที่ท่านพระมหาสารีบุตรพูดคุยกับท่านพระมหาโมกขลนะทีนี้ไอเรื่องของเนินคือความคล่อ ง, องความที่เป็นกิเลสเพียงดังเดินที่เราต้องฝ่าฟันไปเนี่ยท่านมหาสารีบุตรได้พูดถึงคนที่ไม่รู้ คือไมอ่รู้ว่าตัวเองมีกิเลสหรือไมอ่รู้ว่าตัวเองไม่มีกิเลสเนี่ยความไม่รู้ตรงเนี้คือเป็นความเลว3รากว่าพวกที่รู้โอเคนะความไม่รู้ตรงนี้ก็จะทําให้เป็นเนินนั้นะเนินที่จะไม่เขาผ่านไปยากแต่ซึ่งในยะที่2อนที่ขา้าพเจ้าบูชเมื่อสกรนุนะี้ความไม่รู้นี้ก็เปรียบเสมือนกับคนที่ดีหรือไม่ดีก็ตามอ่ะแต่มาบวชอยู่ในสํานักของหมู่คนที่ไม่ดีแมาบวชแล้ว อยู่ในสนักอุปชาอาจารย์ที่มีการทำอเนสนกรรมะเช่นการสแสวงหาที่ไม่ถูกต้องอาจจะทำผิดรูปแบบของศีลเช่นที่บุรุเจ้าห้ามเช่นอะไระการทำยาแล้วได้มีเครื่องอยู่เครื่องกินมีปจัจจัย4เพราะการทำยานั้นการเป็นหมอดูนะหรือว่าการสแสวงหาที่ไม่ถูกต้องหลับไม่ใช่สมณธรรมแล้วคุณได้ปจัจจัย4มาอย่างเงี้ยพวกนี้เป็นความผิดความสมองทั้งสิน้นะเป็นกิเลสเพียงดังเนินซึ่งผลที่บวชมาเนี่ย ก็จะต้องข้ามกิเลยเหล่านี้ไปยิ่งท่านเนินมันสูงมันก็ไม่ดีแต่ซึ่งไอ้ตรงเนินตรงเครื่องคล่องเครื่องเศร้าหมองตัวนี้ท่านพระมหาโมกขนาก็ถามท่านพระศาริบุตรว่าเอ๊ะมันมีรายละเอียดยังไงนะซึ่งท่านพระศาริบุตรเนี่ยก็ได้อธิบายแยกแยะออกไว้นะถึง19บกาอาการด้วยกันในเนินอย่างแรกนะสมอย่างแรกคือเรื่องของอาบัตนะที่เกิดขึ้นกับตัวอาบัติที่เรามีแล้วประกอบว่าอยากให้คนรู้ หรือว่าคุณอย่ามาโจทย์เรานะให้โจดย์ไปในที่ลับๆอย่าให้คุณหนึ่งเขารู้นอกจากรู้กัน2อสามคนเดีหรือว่าขอให้คนที่เสมอกันนํามาโจทย์เราเท่านั้นคนที่ไม่รู้จากการคนที่แบบไม่ได้เป็นพวกกันอย่ามาโจทย์กันเลยแต่ปรากฏว่าเขาก็โจทย์ขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็รู้อย่างเงี้ยเขาก็มาว่าเราอย่างเงี้ยก็มีความขัดข้องขัดเครื่องเกิดขึ้นอันนี้คือลักษณะของพวกที่ถ้าทําไม่ดีนะถ้าทําไม่ดีแล้วเขารู้ เราก็จะมีความกัดข้องสามอย่างแรกเป็นอย่างนี้แต่มาข้อที่4คือเรื่องของการแสดงธรรมว่าขอให้พรุทธเาปรารบเราเท่านั้นแล้วจึงแสดงธรรมคือแบบว่าบางทีพรุทธาก็ถามภิกษุก่อนนะว่ามีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรอะตอบให้แล้วก็แสดงธรรมขยายความตรงนั้นนะให้พูดกับตัวเองก่อนไม่ต้องพูดกับคนอื่นขอให้พรุทธาแบบว่าเห็นความสําคัญของเราประมาณนี้แล้วถ้าบอกว่าเรื่องนั้นไม่เกิดขึ้นก็จะเศร้าหมอง อ, อ, กอีกนะ่มีความโกรธบ้าง มีความไม่แช่มชื่นความโกรธนี่คือหมายถึงความไม่พอใจแสดงความกระฟาดกระเฟยขึ้นมาส่วนความเสียใจน้อยเนื้อต่ําใจความเศร้าความหดหู่ก็นี่ก็ความไม่แช่มชื่น2อย่างนี้ก็เรียกว่าอังคณะนี่คือเนินนที่คนที่บวชมาหรือคนที่ประพฤติสมณธรรมเนี่ยจะต้องฝ่าฟันผ่านพ้นไปได้ข้อถัดมาในเรื่องของอังคณะหรือว่าเนินเนี่ยหมายถึงความโกรธความไม่แช่มชื่นความไม่แช่มชื่นกับความน้อยใจความเสียใจพวกนี้ นะีซึ่งเกิดได้ทั้งหมดจาก19อาการเนี่ยยังที่5้า้นก็ขอให้ภิกษุทั้งหลายแวดล้อมเราเท่านั้นแล้วก็เข้าบ้านข้อที่หก็พึงได้อาศนะหรือว่าบิณฑบาตอันเลิศในโรงฉันอย่างบางทีไปฉันอาหารในโรงฉันเนี้ยแม้ถ้านั่งเป็นวงเป็นวงเนี่ยก็ขอให้นั่งที่ได้ดีๆหรือว่านั่งใกล้กับข้าวที่มันอร่อยๆเนี่ยะจะได้ไม่ต้องยกผ่านกันฉันจะได้โจ้คนเดียวเนี่ยถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยความคิดนั้นไม่ดีแต่ความคิดนั้นไม่ดีความคิดนั้นจะเป็นนนนนนนเเเเเป็กิลิลลดดังังนงใน ใ, นใจขอบุคคผู้น้น กินข้าวเสร็จแล้วฉันเสร็จแล้วก็ต้องมีการอนุโมทนาแล้วก็ให้ตัวเองได้เป็นผู้ที่กล่าวอนุโมทนาแสดงธรรมอันนี้ก็จะทําให้เกิดเนินได้เนินพอกพูนในจิตมันก็ยิ่งข้ามยากปิดบงังแต่น้องฟังลองนึกถึงนะเนินเนี่ยมันมีทั้งสองฝั่งทั้งเรื่องของความโกรธความขับแค้นใจความขัดเคืองเดี๋ยวจะไปอีกข้างหนึง่งก็มีความน้อยใจความเสียใจความไม่แช่มชื่นแต่ความน้อยเนื้อต่ําใจไหนมันจะเป็นเหมือนกับเราอยู่ตรงกลางอะ แล้วไปทางซ้ายก็เป็นเนินไปทางขวาก็เป็นเนินขึ้นไปข้างใดข้างหนึ่งก็เนินหมดเลยเนะี่ยิ่งท่านมีมากเนินก็ยิ่งชันมากจะปีนออกไปก็ยากข้อที่8 9 1เก้็นี่ยก็คือการแสดงธรรมเกี่ยวกับการแสดงธรรมแต่นะว่าขอให้เราได้แสดงธรรมกับภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแต่เบอร์ไม่ได้แสดงมีความโกรธความไม่แช่มชื่นไอ้ความโกรธความไม่แช่มชื่นนั่นแหละเป็นเนินนะมีสาเหตุมาจากการแสดงธรรมก็ได้หรือมีสาเหตุมาจากอีก4ข้อถัดมา คือการได้รับการสักการะเคารพนับถือบูชานาจากภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานี่ก็เป็นข้อ12บสถึงข้อสิที่ว่าอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดเนินได้แต่เผื่อว่าอยู่ในสํานักของครูบาอาจารย์หรืออุประชา ท, ที่ไม่รู้จักอบรมสัง่งสอนไม่ประพฤติสมณธรรมไม่คอยตักเตือนในศีลเป็นภัยที่แม้เพียงเล็กน้อยไม่รู้จักสมาทานให้รู้จักทุ้ดงกวัดหรือว่าเรียนพุทธพจน์อะไรต่างๆเขาก็จะมีอะไรผัดซ่าอะไรพวกนี้นเกิดขึ้นก็จะเดือดร้อนจีจัดไปหมด นะความเดือดร้อนความชี้จร์จนั้นก็เป็นเนินของบุคคลผู้นั้นนะแล้วข้อถัดมา4ข้อสุดท้ายแล้วนะก็พวกเกี่ยวกับปัจจัยแต่ว่าขอให้ได้จีวอนบินดาปะเสยนาส น, นะหรือว่ายารักษาโรคอันเลิศแต่ถ้าไม่ได้ซึ่งตัวนี้แหละคือเนินนะเป็นเนินที่จะทำจิตใจนั้นให้มีกิเลสมากขึ้นถูกท่วมทับถาโถมด้วยกิเลสตัณหาพวกนี้ซึ่งท่านภาษาริบุตรแยกแยะแจกแจงนะเหตุปัจจัยเนี่ย อะไรผัสสะอะไรต่างๆประเภทต่างๆที่มันจะมากระทบเนี่ยแยกแยะได้ทั้งหมด19อย่าง น, านนี่คือผัสสะประเภทต่างๆที่จะเกิดขึ้นแล้วถ้าผอว่าไม่รู้จักราาักษาไม่รู้จักราาักษาจิตไม่รู้จักประพฤติสมณธรรมก็จะเป็นอย่างดีว่าในทางตรงกันข้ามแต่ถ้ามีผัสสะต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นใน19อย่างนี้นั้นถ้ารู้จักรักษาอย่างดีมีการประพฤติสมณธรรมมีครูบาอาจารย์ที่คอยบอกสอนให้เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยรู้จักเรียนพุทธพจน์ให้อย่างถูกต้องโดยอัตถและพยัญชนะ นะศึกษาตูรดวงวัดปฏิบัติด้วยทําด้วยแล้วนะก็เหมือนกับภาชนะสมัมฤทธิ์ที่ไม่ว่าจะเก่าจะมีสนิมจับหรือว่าไม่มีสนิมจับก็ตามเป็นของใหม่สดใสแต่เอามาใช้เอามาขัดเอามารักษาไว้อย่างดีเก็บไว้อย่างดีไอ้การที่เอามาใช้ามาขัดเก็บรักษาไว้อย่างดีนั่นแหละมันก็ทําให้ของที่แม้แต่เก่าแม้แต่เศร้าหมองก็งามขึ้นมาได้สะอาดขึ้นมาได้ไอ้ที่ดีอยู่แล้วก็ยิ่งดีมากยิ่งขึน้นนี่คือสภาวะที่เรียกว่าสะลุดออกจากเนินได้ เป็นของดีได้นะพอท่านภาษาริบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วนะก็ยกอุปมาอุปไมยเพิ่มเติมอีกนะให้ท่านพระมหาโมคคลานะเนี่ยทราบเพิ่มเติมว่าเวลาที่คนนะมีเครื่องกล้องเครื่องเศร้าหมออย่างเงี้ยมันมีอุปมาอุปไมยเหมือนกับอะไรนะท่านก็อธิบายถึงภาชนะสมฤทธิ์ภาชนะสมฤทธิ์ที่มรรดูข้างนอกดีดีแต่ว่าข้างในเนี่ยใส่ซากศพงูซากศพสุนัขซากศพมนุษย์ แต่คนที่หิวเนี่ยเปิดเห็นดูแล้วมันก็ไม่อยากกินโอ้อยากจะอ้วกเนะีเพราะมันน่าเกลียดเหลือเกินในในตารางตรนน้ำข้ามถ้าภาชนะอย่างดีอย่างที่ว่าเนี่ยแต่ว่าใส่กับข้าวอย่างดีมีแกงและกับแยกเป็นส่วนๆมีกลิ่นหอมข้าวนั้นก็ไม่มีเม็ดดำขาวสะอาดนุ่มนวลมีควันขมงฉุยออกมาอย่างนี้แม่มันหอมมันน่ากินคนที่อิ่มแล้วเนี่ยเห็นอาหารแบบนี้ในภาชนะที่เลิศหรูอย่างนี้ก็ยังคิดว่าจะต้องชิมซะหน่อยแต่มันจะเป็นยังไง น, นี่คือเปลียบเหมือนกับ2ฝ่ายนะแล้วก็ในอธิบายไว้ตรงนี้บอกว่าไม่ว่าจะจีวรสีไหนอยู่บ้านหรืออยู่ป่าบินทบาตหรือว่าฉันในที่รับนิมนต์ผมผ้าบางสกุลหรือผ้าเครื่รดิษฐนะี่คือผ้าที่มันดีๆหน่อยอยู่ในบ้านหรืออยู่วัดป่าเป็นวัดป่าหรือวัดบา้านจีมอนเศร้ามองหรือจีวอใหม่ดีทั้งนั้นนะถ้ามีการปฏิบัติดีแต่เหมือนกับภาชนะสมัมฤทธินะ์ที่มันดีที่มันง า, งามเพราะฉะนั้นดูภายนอกบางทีเราไม่รู้เราจำเป็นฝังสีจีวอก็อาจจะบอกอได้ไม่ได้ วัดป่าวัดบ้านก็อาจจะบอกอะไรไม่ได้นะชันบินาบาทท่านนี้บินตาบาทท่านนี้ไม่ได้บินแล้วก็อาจจะบอกอะไรไม่ได้มันต้องดูที่ข้างในแตนะ่ว่าถ้าข้างในไม่มีความโกรธความไม่แช่มชื่นที่เกิดจากเหตุปัจจัยเหล่านั้นมันก็เหมือนกับอาหารที่ดีๆที่ใส่อยู่ในภาชนะสัมฤทธิ์ที่ดีแตนะ่ส่วนคนที่ดูข้างนอกอาจจะดีๆแต่ว่าข้างในนะ่ะกลวงก็มี เ, เราก็ต้องระวังนะั่นพิจารณาดูเห็นตรงนี้พอท่านพระมหาโมคนะนะฟังธรรมะบทนี้แล้ว นาไล่มาตั้งแต่เรื่องของมาชนะสมริดสี4ประเภทนะส่วนที่คนที่ไม่รู้ว่าไม่มีเนี่ยมี2องในยะนะพูดถึงการที่ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ไม่ดีบรรลุไม่ดีก็อาจจะเป็นไปไดนะ้หรือพูดถึงการที่เขาปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบพูดถึงการที่เขาไม่รู้จักรักษานะความดีความงามพัฒนาให้มันดีขึ้นอันนี้ก็เป็นในยะที่สองนะแล้วก็อธิบายถึงเรื่องพัฒนะนาในลักษณะที่จะทำให้เกิดกเครื่องข้องนะคือทําให้เกิดความขัดความไม่แช่มชื่นอยู่เ้าอย่าง อธิบายถึงเรื่องของอุปมาอุปไมยแตที่เปรียบเหมือนภาชนะสำริดที่ในนั้นมีซากศพซากงูซากสุนัขหรือว่ามีอาหารอย่างดีมีกับข้าวและกับอย่างดีอย่างอร่อยแล้วก็เปรียบเทียอย่างนี้แล้วท่านพราหมหาโมคลานั้นี่แม่มีความเข้าใจมากทัานก็เลยยกเหตุการณ์อันหนึ่ง น, น, นี้คือเล่าให้ถึงเหตุการณ์ที่ท่านพราหมหาโมคลานัเนี่ยไปบินตบาตตจำ่ว ง, งไปบินตบาดแล้วก็เห็นนักบวชนะเขาเรียกว่าอาชีวกะ น, ะนักบวชประเภทหนึ่ง คือนักบวชแล้วเขาก็ไม่ทํางานแล้วใช่ไหมก็ต้องมาหากินแบบชนิดที่เรียกว่านักบวชเป็นแต่นักบวชนี้ปรากอว่าเป็นคนช่างทํารถมาก่อนแต่ช่างทํารถเขาจะเอาไม้มาถากแต่เวลาถากไม้เนี่ยจำฝัง่งเพื่อให้มันเป็นกรงล้อเนี่ยนะคนที่เขาทําเป็นเนี่ยถ้าแปลว่ากลงล้อที่เขาถากเนี่ยความสมดุลก็เรียกว่าน้ําหนักจุดศูนย์ถ่วงไม่อยู่ตรงกลางเป๊ะเนี่ยเวลาตั้งอยู่เฉยมันก็จะลม้มแล้วมันจะมีโทษยังไงคือเวลาที่มันหมุนไปเนี่ยล้อจะไม่ได้ศูนย์ พอล้อไม่ได้สูญมันก็จะแขวนพ อ, อาทาความเร็วสูงๆขึ้นไปนะมันก็จะแกว่นพอแกวงปุ๊บมันจะหลุดจากดุมล้อได้นะมันก็จะทําความเร็วไม่ได้เป็นล้อที่ไม่ดีถ้าช่างทํารถที่ดีฉลาดเขาก็จะต้องถากไม้ชนี้ที่เรียกว่าไม่ให้มันมีรอยปุกอยู่ข้างหนไม่ให้มีกระพี้มีแต่แก่นล้วนๆเพราะว่าเพื่อให้น้ําหนักมันคงที่ใช่ไหมซึ่งถ้าช่างทํารถเป็นนี่เขาก็จะต้องทําให้ถูกถา ก, นะถากตรงนี้นนะถากตรงนั้นนะปาดตรงที่เป็นกระพี้ออก เอาไม้ตรงนี้มาใส่ตรงนี้ทําเป็นริมอย่างนี้เขาจะมีเทคนิคการทำซึ่งต้องมีความเชี่ยวชาญพอสมควรปรากฏว่านักบวชคนหนึ่งเป็นนักบวชประเภทอาชีวกะนะชื่อพันธบุตรเขาก็าเห็นเห็นคนช่างทํารถนะชื่อสมีติอันนี้ก็เป็นลูกของช่างทํารถเป็นมือใหม่ว่างั้นนะเห็นนายสมีตินี่กําลังถากไม้ทําล้อรถอยู่แต่ตัวเองเป็นช่างทํารถเก่าอ่ะแต่ออกบวชมาแล้วเนี่ยนะก็ไม่ได้ทํารถแล้วในใจก็คิดว่า แม่มันต้องทําอย่างนี้นะต้องถากตรงนี้ปรับตรงนี้แต่งตรงนี้นะซึ่งท่านพระมหา ม, มกลนะทราบได้ไงก็คงไปอ่านจิตของเขานะนะี่ยแหละตำรวจเนะี่ยคงไปอ่านจิตของบรนทบุตรนะชีวาการชื่อบรรทบุตรนะแล้วก็ไปอ่านจิตของสมีตินะลูกช่างทํารถเขาทําอย่างนี้ถากอย่างนี้นะักบวชที่เป็นช่างทารถมาเก่าวเห็นอย่างนี้มันก็ถูกใจล่ะแม่มันทําถูกนําดีนะี่ยถูกใจนี่ยก็ยกตัวอย่างถึงตรงนี้บอกว่าแม้คนที่เขาปฏิบัติไม่ดีเนี่ย เป็นผู้ที่แบบว่าออกบวชก็ไม่ไมีศรัทธาเป็นคนมักโอ้อวดเจ้ามารยาหลอกลวงฟุง้งซ่านตื้อตนกับกรอกปากกล้ามีวาจาเกลือบแคลงไว้คลุมครองทวารไม่รู้จักประมาณในโภชนะไม่มีความเพียรไม่เพ่งเล็งในสามัญญผลมีความเกลียดแค้นเป็นคนมกักมากย่อหย่อนเป็นหัวหน้าในการเชิญแชรอธุระในความสั ง, งัดประพฤติเลวสามมีสติฟันฟ่นเฟือนไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมัน่นมีจิตหมุนไปผิดปัญญาสาเป็นดั่งคนบ้ายเนี่ย มันถูกถากด้วยธรรมบุริยาของท่านพระสารีบุตรเนี่ยมันต้องสะดุ้งสะเทือนแล้วนะมันจะอยู่ไม่ได้นะถูกถากอย่างนี้เลยเหมือนกันนายช่างไม้เขาถากในที่ไม้ที่ไม่ดีเนี่ยออกไปถากกระพี่ถากส่วนที่ผัวไปเหลือแต่แก่นลุ้นล้วนทําเป็นล้อรถได้อย่างดีมีความสมดุลอยู่ในใจยนะธรรมบุตริยายที่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยมันเหมือนอย่างนี้เลยนะท่านพระ ม, มหาสาราาาาีบุตรอย่างนี้นะแล้วก็เปรียบเทียบในทางตรงกันข้ามนะว่าคนที่เขาดี เขาได้ฟังธรรมปริยญานี้แล้วนะบวชมามีศรัทธาเป็นคนไม่มีมารยาไม่โอ้โอวดนะมีความเพียรเป็นคนที่มั่นคงนะมีศรัทธาแล้วเนี่ยได้ฟังธรรมปริญานี้มันเหมือนกับคนที่อาบน้ํามาดีแล้วสระผมมาดีแล้วนะเห็นดอกไม้พวงดอกไม้ก็รับมาใส่เสียเกล้าวไว้อย่างดีเต็มที่แล้วก็ลักษณะนี้เหมือนกันว่าคนเราบวชมาแล้วหรือว่าเราจะประพฤติสมณธรรมในยัดใดในยัดหนึ่งในะบวชนะให้เอากิเลสเพียงดังเดินออกจากใจ ภาษาใดๆที่จะเกิดขึ้นถ้ามันจะทําความโกรธความไม่แช่มชื่นให้เกิดขึ้นในใจของเราในพยายามที่จะรู้ตัวให้ได้มีสติตั้งมั่นเอาไวา้คูดกล่าวสิ่งนั้นออกไปและทําความดีความแช่มชื่นขึ้นมาในใจของเราได้อันนี้คือเรื่องราวในเขาเรียกว่าพระสูตรที่พูดถึงกิเลสเพียงดังเนินภาษาบาลีเขาเรียกว่าอังกนัสูตรแเป็นพระสูตรต้นๆในมันชฌิมานิกายเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่ไม่ใช่พุทธพจน์เป็นคําของท่านพระมหาสารีบุตรกับท่านพระมหาโมคข์ละนัคุยกัน ก็เป็นเรื่องราวหนึ่งนะที่เป็นไปนในทางคำสอนของพุทธะเหมือนกันวันนี้ครพระเจ้าพระมหาับบุญอภิปุนโนจากวัดป่าดอนไหส ก, ก็ขอลาไปก่อนเจริญบ่อน